อตอนนี้ก็มาขอพูดกันทั้งเรื่องพูดแทนต่อไปเป็นอนุวาดในเมื่อในสวาสนิพันธ์เป็นกระโดดส้นหลังหรือว่าเป็นตะมอคข้าแก่แก่ดาประชาชนท่านผู้วา่าราชการจังหวัดท่านก็เป็นคนเคร่งครัดในหน้าที่วันนี้สดเมื่อถึงกำหนดที่ท่านสั่งนันสันดอยก็กไม่ยอมทำตาม ตอนนี้ทํายังไงเป็นอันว่าเรื่องมันก็จะต้องจับระสดอนกันเพราะขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ว่าจะไปโทษท่านท่านหลวงอัดท่านก็ไม่โขกท่านเป็นคนน่าเคารพมีระเบียบวิ น, นัยดีรัฐบาลสั่งแบบไหนทำแบบนั้นถ้าสมัยนี้นะสมัยนา ย, ยกเรียงศัก์นี่ แต่ ว, ว่ารัฐบาลสั่งแบบไหนทำแบบนั้นแล้วก็รัษดรไม่มีอดไป ม, มียากอกอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เอาก็ได้ตอนดีนะที่นายกเตรียมศักดิ์ท้าทำดีเราชมมาดีถ้าทำเร็วเมื่อไรเราก็ควรจะโควชมยาสนับสนุนนี่เป็นอนวันละไว้าภาวะแห้งแร้งเกิดขึ้นท่านก็สั่งเงินช่วยทันทีพันหกร้อยล้านบาท น้ำท่วมขนของให้ทันทีน้ำแห้งไถนาทันทีในเวลานั้นว่ารัฐบาลเขาต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่มานั่งพูดกันเป็นนั่งพนน้ำลายท่วมสภานะพ่อมาดิเห็นด้วยเดินเลยพ่ออย่างยิ่งคนที่ก่อนจะเข้าไปถ้าน้ำลายท่วมสนามหลวงก็ดีน้ำลายท่วมพื้นที่ดีพูดเป่าเป่าเป่าเป่ า, ป า, ปาไม่รู้การไม่รู้สมัย อย่างที่วัดหลวงพ่อนี่แม่รู้สึกหนักใจเวลาแกมาหาเสียงแกไม่ได้เกรงใจพระคนพวกนี้ไม่ได้มีบัญญาตพ่อเคยคิดว่าถ้าพวกนี้ได้เป็นผู้แทนนัสสนอนบ้านกรพังคนดีเนี่ยเขาต้องมีมันยาจะไปที่ไหนต้องขออนุญาต ก, ก่อนอย่างที่วัดหลวงพ่อนี่มีการเจริญพระกรรมฐานต้องการเสียสงัดทุกคืนทุกวัน แต่ก็มาร้องทั้งร้องเพลงร้องละครผวนเป้าเป้าเป้าเป็นเป็นไอเด็กเลี้ยงควายคนอย่างนี้หรือว่าจะเป็นประธานรัศดรแม้แต่ตัวเองทำดีทำชั่ว ย, ยังไม่รู้แล้วจะรู้เรื่อง บ, าบ้านเรื่องเมืองบ้านเรื่องเมืองได้ยังไงมาคุยกันเรื่องไรสว่างสนิทคันกรณีสุดคดีนี้ขึ้นศาล เมื่อเขาจะไปจับคนทุกคนในสว่างก็เป็นนายประกันทั้งหมดขอประกันคนทุกคนที่เป็นเจ้าของแผ่ <c oughs> แล้วก็สค้อยฟ้องศาลจะไม่จับปรับกันเฉยๆได่ไม่ได้กฎหมายมันมีเนี่ยเรื่อก็ทนายทนายชั้นดีก็มีเหมือนกันพอส่งขึ้นฟ้องศาลปลายกฎระเบียราชการแพงหงายหลัง เพราะว่ารัฐนิยมไม่ใช่ไม่ใช่พระราชบัญญัติรัฐนิยมไม่ใช่กฎหมายไม่มีอำนาจลงโทษเห็นไหมนะล่ะโลรักนี่ผู้แทนที่ดีนี่เขาต้องทำอย่างนี้แล้วต่อมาไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคนในสมัยนั้นคนจังหวัดสุพรรณบุรีถือผู้แทนเป็นสำคัญอันนี้ถูกต้องถูก ต้อนถือว่าผู้แทนเป็นสําคัญไม่อย่างนั้นราจะตั้งผู้แทนไว้ทําไมเมื่อไปหาผู้แทนแต่ว่าผู้แทนก็ไม่ใช่ว่าใครไปหาแล้วก็โอเคททุกอย่างชี้เหตุชี้ผลรูปผิดรูปถูกว่าไอ้ยังไงราฐทางรัฐบาลเขาเขาสั่งไปถ้ามันถูกมันต้องต้องทํเาเรื่องภาเสียก่อนร ะ, ะเบียบวินัยอะไนี่เขาอธิบายให้ฟังว่ากฎหมายไม่มแบบีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฝืนเขาไม่ได้ต้องทํา ดนอย่างการทำสวนครัวปลูกผักจะเห็นว่าในสว่างแกคิดว่าค้านรัฐบาลทุกอย่างไม่ค้านในอันนี้แกสนับสนุนไปที่ไหนก็ตามไปเยี่ยมรัษดรถามมีพันผักไหมครับมีพันสัตว์ไหมถ้าไม่มีต้องการอะไรบอกผมผมจะหาราคาถูกๆมาให้ถ้าพันผักพวกนี้ผมขอแจกให้เลยเผมก็จน แต่ว่าแกอาศัยมีรายได้ทางานในการว่าคาดีแต่ความจริงถ้าอยาหวังรวยกันจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นผู้แทนดีกว่าแกว่าคาดีเรื่องเดียวมันก็เกินสี่ร้อยบาทแต่ว่าทานั้นทาเพื่อประชาชนนี่ตัวอย่างที่เป็นผู้แทนต้องเอาเป็นแบบนี้แล้วต่อมาสมัยที่สองมาสมัยนั้นพ้นไปก็ปรากฏว่า เวลาที่เขาจะเลือกในสว่างไม่ไปเลยนี้พิมพ์่งถือยาวประมาณหนึ่งพุทธก ว, ว้างประมาณสะหกนิ้วเขียนว่าข้าพเจ้าในสว่างสนิทพันขอสมัครเป็นผู้แท น, น, นรัศดรหวัตสุพรรณบุรีหมายเลขเท่าไรก็ว่าไปให้ลูกน้องไปแปะเฉยๆไม่ออกหาเสียงเลยแต่ปรากฏว่าคะแนนท่วมท่มทนนี่เป็นอันว่าท่านลูกทุกคนของพ่อ ลูกทุกคนส่วนใหญ่ก็ได้ปริญญากันมาต่างประเทศบางในประเทศบ้างและเป็นคนที่มีความรู้ถ้าเราจะเลือกผู้แทนก็ต้องเลือกผู้แทนแบบนี้แต่ว่าถ้าเราจะเป็นผู้แทนบ้างจําไว้ว่าไอ้ประเทศชาตินไม่ใช่ของใครคนเดียวมันเป็นของคนทุกคนถ้าเราจะเป็นผู้แทนบ้างจงถือแบบฉบับในสว่างสนิทพัน์เป็นตัวอย่าง ดูว่าชาติเราจะได้เจริญตอนนี้ไปก็มาคุยกันเรื่องเรื่องพระเจ้าพรหมมหาราชต่อนี่ก็รบกันเหมือนกันโอทัยน์เขาก็รบพระเจ้าพรหมจะรบพ่อเลยมารบกันแล้วตอนนี้ก่อนเพราทราบว่าก็หาเสียงก็ศาสตร์ขี้ก็หากันไม่ใส่โครยต่างคนต่างเวียงขี้หากันมึงชั่วอย่างนั้นมึงชั่วนี้คนนั้นชั่วคนนี้ชั่ว พด้ดีใจคนก็าหายกันนี่ยาเลือกเข้าไปเลยนะเพราะเรารู้จักหน้าเขาดีแล้วนี่เขาไม่ได้ทำอะไรดีหรอกคนที่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างนี้อยาเข้าไปอย่างที่คุณควาภัยวงเจเกอบรมมีบคุคคลคนหนึ่งที่เขาจะเข้าเป็นสมาคิกเาจะรับเลือกจะขอรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนิติบั แล้วก็เขต้องการเข้าพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นพรรประชาธิปัตย์สมัยนั้นดีเวลานี้พ่อไม่รู้เมื่อกี่ยวตัวบคุคคลชื่อพรรคไม่สําคัญสําคัญในตัวบคุคคลพราะเข้าไปหาแก่แกันนั่งอบรมอยู่สองชั่วโมงในเรื่องความโลภความโกรธความหลงให้ทิ้งไปถือว่างานผู้แท น, นรัษฎรไม่ใช่งานส่วนตัวเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัว เวลาทําต้องทําเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะหมายควาจะไปเห็นกับพวกกับพ้องกับพี่กันน้องกันใครไม่ได้ทั้งหมดต้องทําเพื่อชาติทั้งป ร, ประโยชน์ส่วนรวมนี่เขาอบรมกันอย่างนี้แล้วการลงทุนมันก็ไม่มากถ้าลงทุนมากก็ต้องหวังหากําไรนี่ระวังระวังนะไม่เป็นของ ง, ง่ายๆมันไม่ของไม่ยากไอ้การหากําลงกําไรกันเนี่ย กอเป็นอันว่าต่อทีนี้ไปก็ขอพูดเรื่องพระเจ้าพรหมเมื่อกำลังกองทัพขอมยกมาแต่ว่าพระเจ้าพรหมไปตั้งทัพรับเรียบร้อยแล้วไปก่อนพร้อมรบแล้วก็พร้อมรั บ, รรบคราวนี้ประกาศกำบรรดาประชาชนทั้งหมดว่าถ้าคนไทยเราจะพึงแพ้ก็ควรจะตายทั้งชาติ ท่างนี้พ่อได้รู้ว่าพื้นแผ่นดินแห่งโยนกตครทั้งหมดตั้งแต่เชียงแสนมาถึงพะเยาเป็นของเราเดิมแล้วก็เวลานี้เราถูกจำกัดมาอยู่แดนในแดนธุรกันดาลวีเนื้อที่นิดหน่อยประมาณแสนไร่เศษคนเพราะเรามีเท่าไร แล้วของดำไม่ใช่ยของพื้นที่แต่กลับเข้ามาเป็นยาของพื้นที่อิสรภาพของเราทั้งหมดนี้ไม่มีและนอกจากนั้นเราต้องส่งสอยเขาปีละยี่สิบช่างเป็นน้ำหนักของทองคำปีละยี่สิบช่างแต่เงินเป็นยี่สิบช่างแต่ขายเป็นเงินเท่าไหร่เราจะเลี้ยงกันได้มีความสุขแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของเราเกิดขึ้นมาทุกวัน เมื่อคนเกิดขึ้นมาทุกวันแบบนี้แต่ว่าต่างคนต่างก็เนื้อที่มันก็แคบลงทุกทีทุกทีเน้อที่เท่าเดิมแต่คนมากขึ้นการหากินก็ลาบากเราต้องไปหากินในแดนไกลฉะนั้นการรบคราวนี้เป็นการรบเพื่อหวังประโยชน์สองประการคือหนึ่งเป็นการรบเพื่อหวังอิสรภาพ ไทยต้องเป็นไทยเระการดีสองเป็นการรบประคับข้มให้ขอบออกไปหมดจากเขตของประเทศไทยธรรมะาการลบคนนี้ถ้าเสี่ยงพร่ำลงไปเราจะต้องแพ้เขาไทยทั้งชาติจงอย่ามีชีวิตอยู่เลยเรื่องการหนึ่งถ้าเราจะตายก็ควรจะตายจากอาวุธของข้าศึก ไม่ใช่ตายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายหนีภัยจะฆ่าศึกมันเป็นความขาดของบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเราจะต้องต่อสู้กับฆ่าศึกแลาจะต้องตายกันเป็นคนสุดท้ายถ้าหากว่าเราขืนมีชีวิตอยู่ขอมก็จะไม่ปราณีเราเพราะอันดับแรกเขามายึดประเทศของเราได้ เขายึดประเทศไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นอย่างเดียวเขายึดพื้นที่ียด้วยการกัก บ, บริเวณพวกเรานี่เป็นการทรมานของพวกเขาที่ต้องการให้พวกเราหนีไปจากที่จากที่นี่ไปที่อื่นหรือไม่เะนั้นก็ค่อยๆตายเขายืน่นโยนความตายให้แกเราวันละน้อยๆมีคนทุกคนเคยมีบ้านสวยสดงยงามอยู่ในโยนกตะคอน เคยมีอิสระภาพมีความเป็นอยู่เป็นสุขจะริง ก, ก็เป็นสุขจะน้อยก็เป็นสุขมีพื้นเพที่มีความสบายแต่ว่าหลังจากที่พวกขอมายึดพื้นที่ได้ไล่เรามาอยู่เวียงสีทองแล้วอยู่ในขอบเขตจํากัดมีความรู้สึก่งไงบ้างขอบรรดาพ่อแม่และพี่น้องนั้นหลายนึกถึงความหลัง ว่าเดิมที่เดียวเรามีที่อยู่ขนาดไหนมีบ้านโตหรือ ว, วบ้านเล็กการอิสรภาพในการทามาหากินเระเป็นไปได้วยความสะดวกและลาบากพระราชาของเราเคยกดขี่ขมเหงบรรดาประชาชนชาวไทยไม่คอมค่มเหงแล้วไม่ลูกเขาเมียใครที่มีเจ้าของอยู่ขอต้องการอะไรเราต้องยื่นโยนให้เขา แต่ว่าสมัยที่ไทยเราปกครองเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนทุกคนมีความรู้สึกนึกถึงความหลังว่าเดิมที่เดียวเราเคยมีนาอยู่ร้อยไร่เรามีนาสองร้อยไร่เราจะไปไหนก็ได้เราจะกินเราจะนอนเมอไหก็ได้ไม่มีใครบังคับบัญชาใครอยากค้าก็ค้าใครอยากขายก็ขายาขาขาทำไรทำนาทำได้ทุกอย่าง ที่สภาพบริเวณก็กว้างขวางแต่เวลานี้เรามาอยู่แฝนจำกัดคนยัดเยียดกันเราเคยมีบ้านหนึ่งหลังแต่คนอยู่สิบคนก็ไม่ข้บแคบบ้านอย่างเหลือแต่เวลานี้ต้องมาปลูกกระตอบอยู่โคนต้นไม้ต้องขุดหูเผือกขโมนกินกันข้าวที่ทำขึ้นมาแต่ละปีก็ไม่พอจะกิน ในเมื่อมันไม่พอจะกิน ท, าทําไมก็ต้องใช้พืชผักทั้งพืชพันธุ์ธัญยาหารดิการที่หาได้าจากป่าเอามากินกันบางทีข้าปลานาเกลือไม่มีสี่ห้าวันไม่ได้กินข้าวกินแต่ผลหมารากไม้ใบตามแกนมีชีวิตวันวันหนึ่งร่างกายก็สุดโทมแต่ความอดลมสมบูรณ์เพราะจะเกิดขึ้นมาได้เพราะควมกุมารเกิดขึ้นมาในตอนนี้ นี่คนโบราณเขาถือโชคเถือหลางแต่ว่าเขาถือผิดก็ไม่ได้เขาถือได้เหตุได้ผลบ่า น, นับแต่พระองค์ ม, มายเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความสุขเริ่มตาอาปากขึ้นมาได้มีมีความสุขมีความอดุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่นนี่มันเป็นเพี้ยนที่แคบถ้าเรากลับยึดอโยนกนะั่คอยกลับมาใหหมด มีแคว้นตั้งแต่เชียงแสนถึงพยามันมากกว่าที่อยู่ในปัจจุบันนี่หลายร้อยท่ามหลายเท่าหลายสิบเท่าถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตความสุขเดิมมันก็จะกลับเข้ามาแล้วก็จะมีความสุขไปยิ่งไปกว่านี้คนทุกคนเห็นผลเมื่อคนทุกคนเห็นผลแล้วก็ทาน พระเจ้าพรหมมหาราชหรือพระผูรูร้วรงคุ ม, มาน ก, ก็ประกาศต่อไปว่าการรบคราวนี้จงนึกถึงว่าการรบคราวก่อนในเมื่อเราแพ้สงครามเขาเขาเป็นผู้รกรานเราไม่ใช่ผู้รกรานแพ้เขาเขาทําทุกอย่างตามนาดถ้าเวคราหลังนี้ถ้าเราแพ้นั่นหมายถึงว่าคนทุกคนที่เป็นคนไทยจะต้องถูกตายแบบทรมานที่สุด เพราะว่าเขาโกรธเราในฐานะที่เราแข็งเมืองฉะนั้นขอคนทุกคนจงรัเพื่อชายชนะแต่ว่าอย่ามีความประมาทข้อสาคัญที่สุดก็คือระเบียบวิ น, นัยฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งยังไงปฏิบัติตามนั้นให้เคร่งครัดเราจะชนะข้าศึกครั้นี้คําว่าแพ้จะไม่มีสําหรับคนไทย พอจบเสียงปรากรดเสียงโห่ร้องสมัยนั้นยังไม่มีชยโย่เกิดกล้องขึ้นมาทั้งแผ่นดินสะเทือนไปหมดปรากฏว่าเมือ่อเด็กชายพรหมมหาและเด็กชายพรหมกุมารแม่ทับใหญ่แต่ว่าโตเล็กอายุสิบเก้าปีพอรายกาศจบเสียงคนหรัร้องเกิดกล้องกันม า, ก, นมาก็ปรากฏมีฝนตกลงมาเป็นฝอย แสงแดดจ้ากลางวันเวลาเที่ยงแต่ฝนเป็นละอองตกมาจากในอากาศเป็นการประกาศเป็นการที่เห็นว่าบรรดาเทวดารือพลังหลายให้พรกับรรดาบรรชาชนทางหลายเมื่อความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแบบนั้นกำลังใจของคนไทยทั้งหมดที่เป็นนักรบทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็มีความหพือเขือนว่าเทวดาช่วยเรา กองทัพช่างกองทัพมาเปีกซ้ายปีกฟ้าทับหน้าทับหลังทับโลงพร้อมเสร็จไปตั้งทัพคอยข้าศึกโยดห้าหกวันกว่าเขาจะมานี่มันเป็นการได้เปรียบเพราะระยะมันไม่ไกลกันพอรู้ข่าวว่าเขาเตรียมระดมพลเราเคลื่อนทัพก็ไม่ทันกันแล้วนี่การรบมันต้องชิงไหวชิงฟิบกันแบบนี้ ก็โดยยพ้อยอย่างยิ่งไม่ใชตั้งหน้าตั้งตาตีประจันหน้ากันยุทธวิธีมันแบบมีสองแบบคือยุทธวิธีและก่อนยุทธก่อยุทธวิยุทธวิธีเนี่หมายความรบตามแบบสมบับก่นยุทธมันนั่นหมายถึงว่าการใช้ปัญญาการใช้กลลวงข่าศึกว่าเราทํำยังไงเราจะชนะข้าศึกได้โดย ง, ง่าย การรบไม่ได้หมายคว่าการทุ่มเทกำลังว่าตายเป็นตายมีเท่าไรตายให้หมดเย็นนั้นไม่ต้องไปรบบ อ, อกถ้ามีความประสงค์ยนนั้นไม่ต้องไปรบกันนอนเช่วยคอตายสี่บานก็หมดเรื่องวมดราการรบจะต้องคิดว่าเราหนึ่งชีวิตถ้าชีวิตก็ไเรจะต้องปิดต้องเสียไปอย่างน้อยที่สุดจะต้องแลกกันหนึ่งตอนหนึ่ง ในการรบก็จะต้องมีจิตคิดว่าคาว่าท้อถอยในการเจ็บการเสียดายชีวิตจะไม่มีในเราเราจะสละชีพเพื่อชาติไม่ใช่สละชาติเพื่อชีพนี่เป็นยุทธวิธีเป็นกำลังที่มีความสำคัญพ อ, อะไรเพราะว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้แล้วก็กำลังใจมันดี กำลังใจมันจะเย็นการรบการ ท, ำทํำสงครามถ้าใจสัน่นใช้ไม่ได้เสียท่าข้าศึกเวลาแจ้ เ, ลจเคลื่อนกําลังออกไปโจมตีกับคาศึกกลังคิดว่าคราวนี้จะได้กลับหรือไม่ได้กลับไม่สําคัญมันอาจจะต้องตายได้หรือว่าอาจจะอยู่ก็ได้แต่ถ้าจะเราจะตายเราจะตายหนึ่งอย่างน้อยที่สุดข้าศึกจะต้องตายหนึ่งไม่รบกันแบบไทยแทย้แท เั็นอันว่าเมื่อตั้งรับเสร็จตัง้งกลยุทธ์กลวงไว้เสร็จทัพขอมก็เคลื่อนมาแต่ว่าทัพขอมที่เคลื่อนมานี่เขามามากท่าจะเทียบกาลังกันก็หนึ่งเลสี่นั่นแหะของเราหนึ่งของเขาสี่หรือว่าของเราหนึ่งของเขาสิบเพราะกาลังพลเฉพาะพลรบของเขาจริงๆมันก็มันก็มากกว่ากําลังคนทั้งหมดของเราอยู่แล้ว พวกเราหนึ่งจะต้องตัดคนแก่อายุเกินหกสิบออกไปคนแก่ตั้งแต่หกสิบขึ้นมานี่เป็นทาหารหมดแล้วคนแก่ที่เกินหกสิบออกไปแล้วหนึ่งก็ยังเป็นทหารอยู่ที่แข็งแรงก็แต่ว่าเป็นกองหนุนและรายการที่สองตัดอายุเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบหกออกไปเอาไว้เป็นกํลาลังหนุนให้เป็นกองเสบียงส่งอาหาร สำหรับคนแก่ที่เกิน60ที่มีความความชํานาญในธนูนหน้าไม้เอาไว้เป็นกองโจยคอยรุกรานข้าศึกวันบันทวนกําลังข้าศึกพระเจ้าพรหมมหาราชและเด็กชายพรหมมหาราชนั่งคอช้างต่างงานอยู่หน้ากองทัพแม่ทัพมาดิอยู่หลังทัพยู่หน้าทัพ กันก้นเสวกรชัดเจ็ดชั้นนี่เป็นการข่มขวัญกันมีคนกั้นสเสวกระชัดแม่ทําแล้วสวยแจ๋วทําเป็นชายแก้วสําหรับท่านพ่อเป็นชายแก้วดําชี้ทองคิบทองระยับเป็นจอมทัพแต่ว่าคําสั่งของแม่ทัพก็สั่งให้จอมทัพอยู่เฉยเฉยไม่ต้องรบ แ ต, แต่งตัวสง่ามแม่ทัพในกรแต่งตัวรถหลันไปตามดับช้างทุกเชือกม้าทุกตัวประดับเสื้อผาเปล่าใช้อันทองคำกรูปทองคามาทำน่้สวยไม่รู้ว่าจะไปรบแล้วไปขายกันแน่ลูกรักของพ่อทุกคนฟังพ่อพูดให้ฟังแล้วก็ลูกฟังไปด้วยใช้อนาคาตางสยา น, นะลูกนะ นึกดูทั้งภาพในเวลานั้นวันแนวรบเราตั้งยาเหยียบขนาดไหนแล้วก็หน่วยกองโจรที่ซุ่มอยู่ตามที่ต่างๆเลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงควายว่าเป็นคนแก่เล้าเ ย, ยทั้งข้าวศึกคิดว่าไม่มีกำลังอยู่ที่ไหนกันบ้างเ้าเตรียมการแบบไหนกันบ้างนึกๆไว้นึกในใจนะเอาใจเข้าไปจับภาพให้มันชัดถ้าไม่สามารถจะจับได้ก็ใช้ ก็ใช้ถามพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้ใช้ถามท่านปู่ก็ได้ขอดูภาพเพราะว่าท่านปู่ของโลกเวลานี้ไม่ใช่ท่านปู่พังคาราชจะถามท่านปู่พังคาราชก็ได้ท่านปู่พระอิง ก, ก็ได้สองปู่แม <c oughs> ่ขอดูภาพเวลานั้นค่อยภาพปรากฏ ก, กับใจข้าพระเจ้าของของโลกหลานทั้งหลายให้ชัดเจนแจ่มใส เห็นว่าเวลานั้นการแต่งกายเป็นชายทั้งหมดแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆเป็นผู้หญิงตั้งเยอะจับดาบสองมือมีถอกซัดมีขอมีเงามีว่ากันเสนกองทัพของเขามากันแบบเริง เ, รงเขาก็โหร้องไอ้โหแบบของมันของเสียงไม่เหมือนไทยเขาว่ากินนว่าครั้นี้ไทยต้องยำแยก เขาตั้งใจมาเลยว่าคราวนี้ขึ้นชื่อว่วาไทยทุกคนจะต้องไม่มีชีวิตยูย่ผนพืนแผ่นดินไทยและคือไม่มีชีวิตอยู่นืนแผ่ น, ผนดินไทยมันก็ขบฏแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเขาถือว่าเราขบฏแต่ว่าเขาเป็นโจรมาปล้นทรัพย์สินของเราเขาไม่ได้คิด นี่เป็นนัตมีเป็นกําลังจิตของคนจะมีใจอันอันดภนันจะว่ากันจริงๆมันก็เป็นไอ้ไอ้โจรร้ายนั่นเองพอทัพหอมเข้ามาใกล้ยับยั้งตั้งท่าจะตั้งค่ายไม่มีความหมายเ <c oughs> ข้ามาเมืขณะที่ก็เดินขบวนกับทัพมันยังไม่ทัพมันยังไม่ตั้งท่ามันเดินขบวนมาด้วมันก็พร้อมรบ แต่พอได้สัญญาณล้ำเขยกรจนเข้ามากรมกลุ่มมัก็ให้สัญญาณยิงธนูไฟ่วยกองจนเลี้ยงควายขุดผุดพุดเพื่อกุดมันทั้งหลายแต่งก็ยิงธนูไฟบางยิงธนูทหารมาสข้างทางกองทัพทั้งหมดก็บุตลุยคือพรมกุมมันก็ขับสายช่างไฟไฟประกายแก้ว ช้างพลายเป็ดไก่แก้วสีขาวผ่องแต่เนื้อเป็นเป็ดไก่บรรดาสัตว์พานาทั้งหลายเห็นช้างพลายเป็ดไก่แก้วเขา่าของข้าศึกกลัวช้างพลายเปไก่แก้ววิ่งไม่ได้คิดชีวิตไอ้คนมันอยู่เป็นคอช้างคอม้านี่คอช้างหลังมา้มาเมื่อช้างม้าวิ่งหนีคนมันจะโย่สู้จะยังไงแม้แต่คนก็เช่นเดียวกันกําลังใจเสียหมด เนนั้นนุ้ว่าฝ่ายกองทัพคนไทยไล่ฆ่าฟาดฟันฆ่าสิกไม่ได้ปราณีแต่ส่วนใหญ่คนอันหลายนัน่นนี้ที่ตายโดยเฉพาะอย่ <c oughs> ยอางยิ่งเป็นกองทัพราบที่ตายเพราะเหยียบกันตายบ้างถูกช้านถูกมา้าเหยียบตายเสช่ก็เยอะที่ไปไม่ไหวจริงๆก็ถูกคนไทยที่เป็นท่านสตรีระบุรุษ <c oughs> แต่เวลานั้นแต่งตัวเป็นผู้ชายหมดฟาดฟันตายเส้นนับไมทนุนความจริงถ้าจะนับก็นับทนุนแต่ไม่มีเวลานับเป็นว่าข้าศึกวิ่งหนีมันยับยั้งเข้าเมืองเข้าเมืองช้างพลายเขาปิดประตูเมืองช้างพลายปรกาศแก้วใช้งาแทงประตูทีเดียวพัง ตอนนี้กับบุกเข้าไปฟาดไปเงินค่าศึกเก็บของไม่ทันไล่ตีเขาออหลังเมืองตอนนี้ป ร, กรากฏว่าพรมกุมารเมื่อยี่สิบกปีพ่อแต่งงานแต่ตอนนี้พัญญาเข้าไปโดยป ร, กรากฏว่าเสียแค่ค่าศึกตอนที่เข้าประตูเมืองข้าศึกแอบยู่ข้าประตูเมื อ, อ, องอใช้หอกแทงก็มาโกพัญญาตาย อีตอนนี้ใครเป็นใครตายเสียดายกันไม่ได้แล้วมีเมื่อเห็นเมียตายก็ยิ่งโมโหรายใหญ่ขับใสช้างพลายไปไกลแก้วขับพัง พ, พังพินาศสันตรโรอันดาพวกขอมนุษงหลายที่ตั้งใจจะเข้าเมืองนับปิดประตูเมืองเพื่อเป็นการยับยั้งตั้งตังตวไม่ติดของสักนิดหนึ่งก็เก็บไปไม่ได้เพราะคืนเก็บก็ถูกข้าวฟันตายท่านยังไงล่ะ เป็นอันว่าขอหนหลายก็ออกจากเมืองโถขับสายไล่ส่งกองทัพของพระมหาราชติดตามข้าสิกมาเดละารถไปทั้งวันตีข้างคืนมายับยั้งถ้าจะถามว่ากินข้าวที่ไหนก็ว่าคนนักกลบทุกคนมีเข้าตาที่ขวดแล้วแล ะ, และข้าตาที่ยังไม่ขวติดตัวส่ ย, ย่ามไปทุกคนมีก็ติดน้ำไอเข้าตาเขาก็ขวรประสงค์ก็เกลือเข็ ม, เ ค, มเค็มมันหวาน กินบัตรทางกาไปก็ค้าคำสั่งที่ได้รับตั้งก sì, ็คือว่าขออยู่ที่ไหนค่าให้หมดแม้แต่เด็กที่ออกในวันนั้นก็แย่เหลือเป็นเชื้อคอมนั้นตีแค่สามวันสามวันสามคืนกอดของมายับยั้งของมันไม่ได้กินข้าวนลยไปโทมันก็เพลียไปไหนไม่ไหวก็เอาช้าช้าตายวิ่งไปก็ไม่แต่เดินวิ่งหนีอย่างเดียว วันเพียงแค่สามวันถ้าเราจะเด่งเวลานี้ก็นานแค่สามวันกองทัพช้างกองทัพม้าก็ก็มาถึงทุ่งย่างทัพทุ่งย่างทัพที่เขาเขียนว่าตาบ้านย่างทัพเนี่ยสามวันสามคืนมายังก อ, อยู่ท่านั้นพลราบเดินไม่ทันเมื่อพลราบเดินไม่ทันก็มาแสดงว่าคนราบของข้าศึกนั้นตายมากกว่าอยู่ พระเยซสั่งให้ยังทัพเร่งการพักกําลังแล้วเคลื่อนไปที่บ้านชุมพลไปรวมกําลังพักประโยชน์สามวันอารม บ, บันดาลโลกระกายหลายมองดูเวลาสําหรับเทพหน้า น, นี้ก็หมดสแล้วเลยเป็นหนึ่งนาทีสําหรับการรบกันนี้ยังไม่หยุดรบแต่ว่าขอหยุดพักก่อนเท่านี้เพ่ออะไรเพราะว่าเทพมันจะหมด เขาบราดาลูกรักทุกคนฟังนาเทพน้าข้างหน้าต่อไปสำหรับหน้าในยุติว่าแต่เพียงเท่านี้